ปัธปทมเสนาสนะศิขาบท 67. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้วางเตียงตั่งฟูกหรือเก้าอี้ของสงในที่กลางแจ้งแล้วไม่เก็บไม่บอกมอบหมายแล้วพากันจากไปณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ